ไก่กับเป็ดหลวงพ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมาชอบเล่านิทานเรื่องไก่กับเป็ดอาตมาจะเล่าให้ฟังในสำนวนของอาตมานะสามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งไปเดินเล่นด้วยกันในป่าในค่ำคืนที่สดใสยามฤดูร้อน ทั้งคู่กำลังมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตาลํำพังจนกระทั่งได้ยินเสียงแว่วแววมาแต่ไกลแคว๊กแคว๊กพันรยาบอกว่าฟังสิดูเหมือนจะเป็นไก่นะสามีบอกว่าไม่ใช่รอกเป็นเป็ดต่างหากเล่าพันรยาก็ว่าไม่ใช่ฉันมั่นใจว่าเป็นไก่แน่นอน สามีจะเริ่มรำคาญเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไก่ก็ต้องร้องว่าเอกอีเอ็กเ์อีกเป็ดถึงจะร้องว่าแควกแควกมันเป็นเป็ดจ้ะที่รักแควกแควกเสียงแวกออกมาอีกสามีบอกว่าเห็นไหมนั่นเสียงเป็ดภรรยายังคงยืนกรานว่า ไม่ใช่นะกที่รักฉันแน่ใจว่าเป็นไก่แน่พร้อมกับอาการกระแทกส้นรองเาทา้าสามีพูดอย่างออกอาการโกรธว่าฟังนะจ๊ะคุณเมียมันเป็นเป็ดปอเอ็ดอเป็ดเข้าใจไหมพันยุ์รยาก็ยังคงค้านว่ามันเป็นไก่ประโถบอกว่าเป็ดก็เป็ดสิเธอเธอ เสียงแคว่แค ว, ว่ดังขึ้นอีกก่อนที่สามีจะกล่าวคาอะไรที่ไม่สมควรออกมาพันรยาผู้ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ก็ยังคงคานว่าแต่มันเป็นไก่นะสามีสังเกตเห็นน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาพันรยาของเขาและหนที่สุดเขาก็รำลึกได้ว่าเหตุใดเขาจึงแต่งงานกับเธอสีหน้าของเขาอ่อนละมุนลง และเขาก็พูดอย่างอ่อนโยนกับเธอว่าขอโทษนะที่รักผมคิดว่าคุณถูกมันเป็นไก่จริงๆแหละขอบคุณค่าที่รักเธอกล่าวพร้อมกับกระชับมือเธอเข้ากับมือเขา เสียงแควกแแวกยังคงแววออกมาจากป่าขณะที่เขาทั้งสองเดินคลอกเคลียร์กันต่อไปด้วยความรักประเด็นของเรื่องอยู่ตรงที่ในที่สุดสามีก็ตื่นขึ้นมาตระหนักว่าจะต้องสนใจไปทําไมว่ามันเป็นไก่หรือเป็นเป็ดสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือความกลมเกลียวพรองดองระหว่างเขาทั้งสอง ที่จะทำให้เขามีความสุขกับการเดินชมป่าในค่งคืน ง, งดงามของฤดูร้อนนั้นอย่างไรก็ตามมีกี่ครั้งกี่หนที่เรามั่นใจเต็มร้อยว่าเราถูกเพื่อจะพบว่าเราผิดในเวลาต่อมาใครจะรู้ได้ มันอาจจะเป็นไก่ชนิดใหม่ที่กลายพันธุ์จนร้องเหมือนเป็ดก็ได้เพื่อเห็นแก่ความเสมอภาคทางเพศและชีวิตสงบสุขของสมณะทุกครั้งที่อาตมาเล่าเรื่องนี้อาตมามักจะสลับกันเสม อ, สมอว่าใครบอกว่าไก่ใครบอกว่าเป็ด